ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ห้าตอนนี้จะคุยกันเรื่องทั่วๆไปที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอันนี้ว่าถึงการบวชความเป็นอยู่ของพระนี่หวนหลังไปถึงสมัยก่อนนี่เวลาจะบวชนี่จะต้องมาอยู่วัดกันก่อน แต่ว่าสมัยก่อนนี่คนมีเวลาเยอะเป็นชีวิตแบบเกษตรกรรมนั้นเขาก็จะมีวงจรชีวิตแบบปีหนึ่งก็ทางานอย่างเรื่องทำนากันครั้งเดียวด้วยซ้ำสมัยก่อนนี่ฤดูแล้งก็จะเป็นเวลาที่ว่างในสําหรับคนที่จะมาบวชก็จะมาบวชอยู่พรรษาหนึ่งเลย ในกะเท่ากับว่าปีนั้นก็เว้นจากงานการแล้วแต่ส่วนหน้าแรงนี่ก็มีเวลาว่างอยู่แล้วและเพื่อจะให้การบวชนี้ได้มีการตระเตรียมอย่างดีก็มีประเพณีว่ามาอยู่วัดตอนฤดูแรงอาจจะเดือนสี่เดือนห้าคุณพ่อคุณแม่ก็นำมาฝากไว้กับหลวงพ่อ แลวมาอยู่วัดนี่ก็ได้ดูกันได้ฝึกอบรมในเรื่องทั่วๆไปชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านการเตรียมที่จะมีชีวิตยอย่างพระภิกษุสงฆ์การฝึกหัดกิริยามารยาทต่างๆการเตรียมเรื่องบทสดมนแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการเกี่ยวข้องการต้อนรับแขกผู้คนอะไรต่างๆทั่วไปหมด เตรียมอย่างดีนเมื่อพระอุปชาท่านเห็นว่าพร้อมดีแล้วก็จะนัดวันกำหนดวันกับทางบ้านแลาจึงจะจัดพิธีการอุปสมบทแต่สมัยก่อนนี่ก็บวชกันค่อนข้างไวประมาณเดือนหกก็บวชและแล้วก็อยู่กันอย่างที่ว่าตลอดพรรษาแล้วก็รับกระิ้น ถือเป็นประเพณีว่ารับกรถินก่อนแล้วจริงจะสึกสมัยก่อนนี้ค่อนข้างจะถือเอาจริงเอาจังมากส่วหน่อยเรื่องรับกรถิ่นก่อนสึกเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีใครถือแล้วเพราะเวลาจํากัดทุกอย่างบีบรัดโดยเฉพาะเศรษฐกิจเรื่องงานการนี่ทันทีบวชมาลาราชการก็มีเวลาจำเพาะราชการยังดียังให้มากกว่า ธุรกิจเอกนชนยิ่งให้น้อยเข้าไปอีกนะก็บีบรัดเข้าไปทุกทีทุกทีบางท่านก็บีบรัดในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเพราะนั้นสภาพชีวิตปัจจุบันก็ไม่อำหนวยที่จะให้ได้ปฏิบัติเต็มตามประเพณีอันนี้สำหรับสมัยก่อนเมื่อรับกระถินไปแล้วบางท่านก็อยู่ต่อไปอีกคือว่าไม่มีความเร่งร้อนอะไร ก็อยู่ไปตามที่ตัวสมัครใจเขาอาจจะเรียกว่าอยู่ไปตามบุญบารมีเนะีภาษาหนึ่งก็ได้เรียนได้อบรมได้มีความรู้เท่านี้ถ้าบทต่อไปอีกภาษาหนึ่งก็ได้เรียนรู้มากขึ้นนะหลายท่านก็จะอยู่ต่อไปก็ทางบ้านก็ไม่ได้มีเหตุอะไรต้องมาเร่งรัดนะถ้ามีเหตุทางบ้านก็อาจจะต้องออกไปช่วย ในหลายท่านก็อยู่ต่อไปสองพรรษาอ้าวอยู่ไปเอ๊ะอีกพรรษานึงก็ได้อยู่อีก3าพรรษา4พรรษาหพรรษาพระองค์ก็อยู่เรื่อยไปแต่ว่าจะมีแบบว่าอยู่ระยะเวลาต่างๆกันมีพระที่อยู่สั้นบางยาวบ้างเยอะแยะไปหมดบางทีก็อยู่5้พรรษากระึกบางทีก็อยู่สอพรรษาศึก ระยะเวลาที่พระอยู่ก็เลยกระจายกันไปทําให้มีพระเนะี่ยอยู่สืบต่อพระศาสนาดูแลวัดรับผิดชอบกิจการของสงฆ์หรือว่าทำหน้าที่ของพระต่อประชาชนได้เรื่อยๆแต่ว่าแม้การบวชสมัยนี้จะสั้นถ้าเรามีการบุนเวียนอย่างนี้ก็เท่ากับว่ามีพระมาช่วยกันรับผิดชอบดูแลสืบต่อพระธรรมวิ น, นัยไปเรื่อยๆเหมือนกัน แต่ว่าอาจจะได้ผลน้อยลงไปพราะระยะเวลาอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือการฝึกอบรมการศึกษาเล่าเรียนนี่ย้อนกลับไปเรื่องที่ว่าการเตรียมบวชเมื่อเตรียมบวชนี่ก็จะมีการเตรียมหลายอย่างอย่างที่พูดเมื่อกีนแล้วในสิ่งหนึ่งก็คือการเตรียมเรื่องบทสวมดมนต์สมัยนี้เตรียมกันได้แค่ท่องขันนะ <Yeah. S 1> เพราะเวลาเราไม่พอ ก็เอาเฉพาะบทที่จะใช้ในสังฆกรรมเรื่องการบวชแทๆ้ๆสมัยก่อนนี่ต้องท่องกันเยอะเลยบางวัดนี่ท่องเจ็ดตำนานก่อนบวชด้วยซ้ำได้ก่อนอันนี้ในบรรดาบทสวดเหล่านั้นบทหนึ่งที่ถือเป็นสําคัญก็คือเรียกกันว่าบทปฏิสังขารโยนี่เรียกง่ายๆตามคําเริ่มต้นของบทสวด น, นั้นแต่ถ้าเรียกเป็นภาษา ทางการก็เรียกว่าตังคณิกาปัจเจเวคขณะตังคณิกาปัจเจเวคขณะปัจเจเวคขณะแปลว่าการพิจารณาตังคณิกาแปลว่าในขณะนั้นๆพิจารณาในขณะนั้นนั้นหมายถึงพิจารณาปัจใจสี่นั่นเองเมื่อเรามีชีวิตอยู่ก็จําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับปัจใจสี่นี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลย อันนี้เรื่องข้อปฏิบัติของพระนี่ก็เริ่มตั้งแต่เรื่องปัจจัยสี่เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นศีลด้วยนะบางท่านอาจจะไม่ได้นึกว่านี่แหละเรื่องศีลละท่านก็จะให้มีการพิจารณาปัจจัยสี่เริ่มตั้งแต่อาหารที่ฉันทีนี้การพิจารณานี้ตอนที่ฉันก็ให้พิจารณาเมื่อ ฉันในตอนที่พิจารณาก็เป็นขณะนั้น น, นก็เลยเรียกว่าตังคณิกะปัจเจเวคขณะการพิจารณาในขณะนั้นแล้วท่าก็มีอีกว่าในกรณีที่บางทีเผลอไผลไปลืมไปตัวเองประมาทไปไม่ได้พิจารณาในตอนฉันเวลาผ่านไปแล้วเช่นกันตอนค่ําคืนก็เอาไปพิจารณาอีกพิจารณาย้อนหลังเป็นการทวนแล้วก็ ต, ตือนตนเองก็เรียกว่าอาตีตะปัจจเวคขณะเปลี่ยนตังคณิกะเป็นอตีตะก็ปแปลว่าการพิจรารณาส่วนอดีตคือส่วนที่ล่วงไปแล้วนี่สองตอนอันนี้สําหรับพิจารณาตอนเป็นอดีตเนี่ยก็นิยมว่าเอามาเข้าเป็นบทสวดมนต์ด้วยเลยบางวัดเนี่ยเวลา คําก็จะสวดบทนี้ด้วยสวดบทอตีตะปัจจเวคขันะการพิจารณาเรือปัจจัยสี่นี้ก็ถือเป็นสําคัญเพราะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนเนี่ยต้องเกี่ยวเนื่องด้วยปัจจัยสี่นี่ก็ท่านก็ให้บริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ด้วยพิจารณาคือด้วยปัญญาไม่ได้บริโภคด้วยตัณหา บริโภคด้วยปัญญาต่างกับบริโภคด้วยตัณหาอย่างไรบริโภคด้วยตัณหาก็คือบริโภคเพื่อเสพรสเพื่อมุ่งความอริดอร่อยนะีคือสนองความรู้สึกที่ทางพระเรียกว่าสุขทุกนะในที่นี้ก็คือไม่เอาละเรื่องทุกเอาแต่สุขสุขในกรณีของอาหารก็คืออร่อยเนะีเรียกว่าตัณหาอยากทั้งหลายบำรุงบำรเลตาหูจมูกลิ้นกาย ถ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มก็มุ่งความสวยงามความโก้เกะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือค่านิยมนยีอย่างสมัยปัจจุบันนี้ก็มีค่านิยมนอกจากสนุกสนานบันเทิงอริดอร่อยแล้วก็เรื่องความโก้เกะแม้แต่ว่าประกวดประขแข่งฐา น, นะกันเอาอาหารเป็นเครื่องแสดงฐานนะเอาเครื่องนุ่งห่มเป็นเครื่องแสดงฐานนะเอาที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องแสดงฐานนะทีนี้ อันนี้ท่านบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความต้องการที่แท้ จ, จริงของชีวิตพูดภาษาสมัยใหม่ว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องแสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตการที่ฉันอาหารเพื่อ อ, ร, อร่อยหรือการนุ่งห่มเพื่อกโก้เก๋ของราคาแพงอย่างสมัยนี้บางคนจะใส่เสื้อต้องดูยี่ห้อยี่ห้อจากประเทศไหนประเทศไหนตลอดไปกระทั้งเครื่องใช้อย่างกระเป๋า ต้องมาจากฝรั่งเศสยี่ห้อ น, นั้นราคาเท่านั้นนีราคาอาจจะเป็นพันเป็นหมื่นเลยอาหารก็อย่างเนี้ยก็อยู่ในประเภทอย่างเนี้ยคือว่าไม่ได้บริโภคเพื่อคุณค่าที่แท้จริงต่อความร่างกายของชีวิตแล้วต่อความต้องการของชีวิตแต่บริโภคเพื่อสนองค่านิยมหรือความอยากความชอบอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งบางทีกลายเป็นว่าพอบริโภคไปแล้วนี่เกิดโทษมากกว่าคุณ อย่างกินอาหารมือละพันหรือหมื่นเพื่ออริ่ดอร่อยเพื่อโก้อาจจะทําลายสุขภาพมีคุณค่าต่อชีวิตที่เป็นคุณค่าแท้เพื่อสุขภาพหรือเพื่อคุณภาพชีวิตเนี่ยสู้อาหารมือละร้อยบาทก็ไม่ได้เพราะอาหารมือละร้อยบาทซึ่งอาจจะไม่ต้องถึงด้วยซ้ําถ้ารู้จักจัดให้ดีแล้วทําได้ปัญญาที่เข้าใจความมุ่งหมายในการบริโภค เราก็จะได้คุณค่าที่พอแก่ความต้องการของร่างกายเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครแต่ถ้าไม่ได้บริโภคใด้ปัญญาและไม่ได้พิจารณาว่าควรจะกินในปริมาณเท่าไรควรจะกินประเภทอาหารไหนเอาแต่อร่อยเขาว่าเอาตะโกเขาว่าแลากลายเป็นว่าบางทีคนเนี่ยมีฐานะเศรษฐกิจดีมีอาหารการกินอย่างดีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานการคลองชีพสูงใช่ห มาตรฐานการคลองชีพสูงคือว่าเอสสแสดงภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ดีมีเงินมีทองพอมีอาหารการกินเพียงพอมากมายแต่เสร็จแล้วไม่ได้คุณภาพชีวิตนีก็เลยกลายเป็นว่ามาตรฐานการคลองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตเสียเท่านั้นฮะกลายเป็นอย่างงั้นไปดังนั้นการที่มีมาตรฐานการคลองชีพสูงไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี สมัยก่อนนี่คนจะไปมุ่งเน้นเรื่องคุณเรื่องมาตรฐานการครองชีพมากพูดกันจะเรื่องมาตรฐานการครองชีพเนี่ยที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า standard of living ต่อมายุคหลังเนี่ยเกิดมีคำใหม่เรียกว่า quality of life แปลว่าคุณภาพชีวิตและตอนนี้จะได้ยินว่าพูดกันเก้อเลยคำว่าคุณภาพชีวิตใช่ไหมมาตรฐานการครองชีพนี่พูดน้อยลง ใครๆว่าชักเห็นแล้วว่าการมีมาตรฐานการความชีพสูงเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีชีวิตที่ดีอันนั้นก็ต้องมาวัดกันใหม่ว่าชีวิตที่ดีอยู่ที่อะไรก็เลยได้ศัพท์ใหม่ว่าคุณภาพชีวิตนั้นบางคนกินอาหารแพงๆเป็นอยู่อย่างดีมาตรฐานการความชีพสูงแต่ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บเยอะโรคภัยไข้เจ็บเกิดจากอาหาร นั่นเองกินไม่ถูกสัดส่วนกินปริมาณมากเกินไปบ้างกินประเภทอาหารที่ไม่ครบไม่สมบูรณ์แต่วัไปหนักบางอย่างเกินไปเช่นหนักไขมันเกินไปนีก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องความอ้วนก็นดีเรื่องของไขมันในเส้นเลือดมากตลอดจนความดันโลหิตสูง เ, เส้นเลือดในสมองในหัวใจตีบหรือตันอะไรต่างๆนี่ ก็เลยเกิดเป็นโรคอารยธรรม เ, เขาเรียกว่าโรคอารยธรรมก็คือว่าพนประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยมักจะมีโรคเหล่านี้มากโรคหัวใจโรคความดาันโลหิตสูงซึ่งประเทศที่ยากจนหยับกลับไม่ค่อยเป็นเพราะนั้นประเทศที่จเจริญก็เลยไม่ได้มีหลักประกันว่าจะทําให้คนเนี่ยมีสุขภาพดีซึ่งเป็นด้านหนึ่งของคุณภาพชีวิตนี่ในตาพุทธศาสนา สอนเลยเบื้องต้นก็คือว่าหลักการฝึกเบื้องต้นอย่างพวกข้ามาบวชเนี่ยก็เริ่มที่ปัจจัยสีเราก็มีหลักอยู่แล้วว่าให้มีการเป็นอยู่ที่ง่ายอาศัยปัจจัยสีพอเลี้ยงชีพแต่ทีนี้ว่าไม่ใช่แค่นั้นต้องให้รับประทานต้องฉันได้พิจารณาได้ปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นจะมีบทพิจารณาที่ว่าให้ท่องก่อนจะบวชก็ท่องเลยบทตังคณิกปะปัจเจวคณะพิจารณาในขณะนั้ น, น, นก็ เวลาจะฉันน่ยก็จะพิจารณาอาหารก็เพื่อจะให้มีสติความจริงก็คือฉันโดยรู้ตัวว่าที่ฉันนี่เพื่อสนองความต้องการของชีวิตที่แท้จริงนะไม่ใช่เพื่อเพียงอร่อยอร่อยโก้โเก๋แต่ทีนี้เพื่อเตือนสติก็เลยเอาจริงเอาจังเวลาจะเริ่มฉันเลย ก็เลยจะเห็นว่าพระเก่าๆนี่ก่อนจะฉันนี่จะพิจารณาอาหารก่อนความจริงนั้นสติมันต้องเป็นไปในเวลาฉันตลอดเวลาไม่ใช่มาตอนเริ่มแต่ว่าเพื่อจะตือนตัวเองก็เลยตอนเริ่มฉันนี่ตั้งใจเริ่มพิจารณาก็เลยเอาคําบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้น่ะมาว่าตอนนั้นเลยก็ว่าคําพิจารณาคําพิจารณาอาหารนี่ก็จะมีว่า ปฏิสังขายโยนิโสปินดปาตังปฏิเสวามิเนวทวายะนมธาญาณมนานัญญาณวิภูสัญญาเป็นต้นว่าเรื่อยไปก็แปลว่าข้าพเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายพิจารณาโดยแยบคายคือคือพิจารณาโดยใช้ปัญญาไตรตรองอย่างดีแล้วนะคำหนึ่งตึงเหตุถึงผลแล้วนะจึงฉันอาหารนี้จึงฉันอาหารบินด บ, บาต ว่าที่ฉันนี้ไม่ใช่เพื่อสนุกสนานอร็จอร่อยมัวเมาหลงเพลินนะเพื่อจะโก้โเก๋อะไรทั้งนั้นนะหรือเป็นเครื่องประดับประดานะแล้วก็บอกว่ายาวะเทวิมัสกายัสสาิติจติยายาปนายะที่ฉันนี้ก็เพื่อการดำรงอยู่การยังอัตภาพนี้ ให้เป็นไปให้ร่างกายเนี่ยดำรงอยู่ได้นะแล้วก็วิหิงสุปรติยาเพื่อกำจัดความบีบคั้นเรียนกะว่าการหิวกระหายหรือการขาดอาหารนี่เป็นภาวะที่บีบคั้นเบียดเบียนร่างกายนะพระมัจริยานุกหายะเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรันทร์นี่มาถึงและจุดสำคัญ เพราะว่าชีวิตของพระ น, นี่ก็เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ก็คือดำเนินตามอริยมรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ความหมายกว้างนะหมายถึงว่าการดําเนินตามมรรยมีองค์แก็คือการที่จะบําเพ็ญใจศิกขาคือเพื่อจะเราทํากิจหน้าที่เพื่อชีวิตที่ดีงามของเราให้การรับประทานอาหารเนี่ยมาเกื้อหนุนต่อการเป็นอยู่ดําเนินชีวิตที่ดีงามการบาเพ็ญกิจหน้าที่ของตัวเองนั่นเอง ถ้าเราใช้ถูกอาหารก็จะมีความหมายเป็นปัจจัยตรงนี้เพราะว่าเป็นปัจจัยก็คืออ้าวมันเป็นเครื่องเกิอหนุนเราเพื่อเราจะได้ทำกิจทาหน้าที่ทำความดีถ้าเราไม่มีร่างกายแข็งแรงไม่มีอาหารเราอ่อนแอรเราก็ทำงานทำการบาเพ็ญกิจหน้าที่บเพ็ญสมณธรรมบเพ็ญศีลภาวนาแต่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ผลเพราะนั้นการรับประทานอาหารฉันพันตาหารก็เป็นปัจจัย เกื้อหนุนแต่มันไม่ใช่จุดหมายนะจุดนี้สำคัญไม่ใช่ว่ากินอาหารแล้วเป็นจุดหมายแล้วเด้ไม่กินอร่อยสบายจบแต่รับประทานอาหารเพื่อเป็นปัจจัยก็คือเป็นเครื่องเกื้อหนุนเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เราเนี่ยพร้อมที่จะไปทําสิ่งที่ดีงามยิ่งขึ้นไปน อิติปุราัจาเจวทนังปฏิหังขามินวัจะเวทนังนอุปาทศสามิอ่านี่บอกต่อไปอีกว่าเพื่อระ ง, งับเวทนาเก่าไม่ให้เกิดเวทนาใหม่อันนี้มุ่งไปถึงเรื่องของความสบายให้ร่างกายอยู่สบายไม่เกิดทุกขเวทนายาตราจะมวีววสติเนเราก็จะ จักมีชีวิตที่ดําเนินไปได้นะญาตราิญนะาติญนี้หมายถึงความมีชีวิตญาตาไม่ใช่ว่าญาตราทับไปไหนนะอนัวัชตาแล้วก็จะมีความไม่มีโทษนะไม่มีโทษนี่หมายความว่าไม่เกิดผลเสียไม่เกิดภัยอันตรายไม่ไปเกิดการเบียดเบียนภายนอกด้วยแล้วก็ไม่เกิดโทษเกิดชีวิตร่างกายของเราด้วยนะถ้ากินถูกด้วยปัญญานี้แล้วไม่เกิดโทษไม่เกิดข้อเสียหาย จะผลาสุวิหารโรจติและจะเป็นอยู่ผลาสุกด้วยนั่นก็นี่เป็นวัตถุประสงค์ในการรับประทานแล้วรับประทานแล้วให้เป็นอยู่ผลาสุกไม่ใช่รับประทานแล้วไปอยู่เป็นทุกข์นี่แหละวัตถุประสงค์ในการรับประทานเพราะฉะนั้นพระจะต้องพิจารณาทุกครั้งไปในเวลาฉันให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการฉันพระทหาร น, นี่แหละเป็นศีลเบื้องต้นของพระเลยนีอันนี้ก็เลยให้ฝึกกันว่าตั้งแต่มาอยู่วัดก็ให้ท่องบท พิจารณานี้เวลาฉันก็พิจารณาอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี้ว่าบางทีพระเก่าท่านก็ว่าสืบสืบกันมาพระอาจารย์หลวงพ่อให้ท่องก็ท่องตามไปนี่ก็ท่องได้แต่คําบาลีไม่รู้ความหมายอา้าวท่านว่าเวลาฉันก็ให้มาพิจารณาก็ว่าไปตามนั้นอีกนึกว่าเสก ข, ข้าวก็เลยนึกว่าโอ้นี่ฉันนี่เราเสก ข, ข้าวถ้าจะเสกให้ศักดิ์สิทธิ์เข้าใจไปอย่างนั้นสนีทใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นโดยที่ว่าทําตามตา ม, ตามกันไปไม่ได้ศึกษากันจริงจังก็ไม่เข้าใจความมุ่งหมายความจริงนั้นคือให้พิจรารณาเพื่อจะได้รับประทานได้ถูกต้องตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของการกินเนะีเพราะว่ากินนี้เพื่อสุขภาพดีเพื่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่กินเพียงเพื่ออริ่ดอร่อยและเกิดโทษเพราะถ้ากินได้ตันหาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีขอบเขตว่า ปริมาณเกณฑกินแค่ไหนใช่ไหมเอาอร่อยเป็นเกณฑ์ น, นี่ไม่รู้จุดไม่รู้จกจินๆก็ทั้งท้องกลางลุกไม่ขึ้นก็ยังอาจจะกินนะทีนี้แล้วก็ประเภทอาหารก็ไม่มีขอบเขตกินอาหารเอาแต่อร่อยใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ได้สัดส่วนอย่างที่ว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันไม่ได้สัดส่ว น, นอันบางอันขาดบางอันเกิ น, น แล้วก็อะไรที่มันอร่อยกินบางทีสารเคมีเครื่องปรุงแตง่งเสริมรสเข้าม า, าปรุงแต่งสีเข้ามาเลยเกิดเป็นพิษต่อร่างกายเอาสวยเอาอร่อยเขาา้าว่าอันนี้ถ้ากินได้ปัญญาไอ้ความที่รู้จุดมุ่งหมายในการกินมันก็จะมาจำกัดหนึ่งปริมาณอาหารให้พอดีกับความต้องการ2จํจำกัดประเภทอาหารให้ได้สัสดส่วนใช่การกินพอดีก็เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการกินด้วยปัญญาก็เลยมีชื่อว่าการกินพอดีเรียกเป็นภาษาพระว่าความรู้จักประมาณในการบริโภคภาษาพระว่าโภชเนมัตตัญญุตานีอันนี้สําคัญมากผู้ที่บวชเข้ามานี่เบื้องต้นเนี่ยจะต้องฝึกในเรื่องโภชเนมตนัตตัญญุต้าต้องมีความรู้จักประมาณในการบริโภคซึ่งเป็นผลดีต่อชีวิตของตนเองและเป็นการฝึกในศีลด้วย เป็นการฝึกพฤติกรรมในการฉันในการรับประทานหรือในการบริโภคแล้วก็ขยายไปถึงเรื่องอื่นหมดเสื้อผ้าเครื่องนึ่งหม่มก็พิจารณาเช่นเดียวกันพระสมัยก่อนนี้จะหยิบจีวรมาหม่มก็ต้องปฏิสังขารอยู่ต้องพิจารณาเหมือนกันเมื่อก็ฉันข้าวเนี่ยฉันข้าวก็เอาตักข้าวมาช้อนหนึ่งเป็นตัวอย่างก็พิจารณาเลยฉันข้าวปเปล่าไปช้อนหนึ่งก่อนนะ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีปฏิบัติกันเพราะว่าท่านที่ทํามาตั้งแต่เป็นเนร์นก็เคยชิน <Yeah. S 1> เนี่ีนี้จีวรจะหยิบมโหสถก็ปฏิสังขารโยนิโสจีวรังปฏิเสวาไม่เปลี่ยนและเมะื่อกี้ปฏิสังขารโยนิโสปินตาปาตังปฏิเสวามีคราวนี้เปลี่ยนเป็นปฏิสังขารโยนิโสจีวรังปฏิเสวะไม่ข้าพาเจ้าพิจารณาแล้วโดยแยบคายพิจารณาเหตุวิาณาผลความมุ่งหมายอะไรดีแล้วจึงใช้สอยจีวร น, นี้นี yeah. แล้วก็บอกไปเพื่อจะได้กันหนาวกันร้อนเหลือบยนเหยื่อเหลือบยุงริ้นไรอะไรเป็นต้นนะแล้วก็ป้องกันความละอายนี่ก็คือว่าให้เข้าใจความมุ่งหมายในการใช้ว่าเอาคุณค่าติดแท้จริงเราคิดว่าเอ๊ะเราห่มจีวร น, นี่อ๋อจุดมุ่งหมายเหมือนเดิมนี้นีดเวลาเราใช้แล้วเราได้วัตถุประสงค์นี้หรือเปล่าหรือใช้แล้วเสื้อผ้าเป็นเพียงเครื่องประดับตกแต่ง แล้วก็ใช้ราคาแพงโดยใช้เหตุไม่ได้คุณค่าบางทีไอ้ของที่ราคาแพงน่ะคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้เลยใช่ไหมถ้ามันจะใช้ได้ปัญญายัางไงคนสมัยนี้เป็นกันเยอะนะฮะแสดงว่าเรามีการศึกษาแต่เราไม่ได้ใช้ปัญญาในการแม้แต่ปฏิบัติต่อปัจจัยสี่ทำได้ความหลงทําด้วยตันหาทำโดยอวิชชาทําด้วยความไม่รู้นีปฏิบัติกันไปแม้แต่ปัจจัยสี่เนี่ยดำเนินชีวิตคนปัจจุบันนี้เป็นมา แล้วลองคิดสิการศึกษามันจะไปได้ยังไงแม้แต่ขั้นพื้นฐานนี่เรายังไม่ได้เข้าใจเลยใช่ไหมอันนี้อย่างที่ว่ามาตรฐานการครองชีพสูงแต่คุณภาพชีวิตเสียแม้แต่ภาพผ่อนใช้ของแพงแล้วเสร็จแล้วไม่ได้ประโยชน์อาจจะเป็นเสื้อผ้าที่มันเหมาะกับเมืองนอกสำหรับอากาศหนาวก็อเอามาใช้เมืองไทยมันก็เสียคุณภาพชีวิตใช่แพงเสียเปล่าก็ต้องดูว่าเสื้อผ้าอย่างไหนใช้เพื่อประโยชน์ ที่แท้จริงเราต้องการอะไรมีเสื้อผ้าไว้ใช้อะไรแต่ว่าเรายอมรับว่ามนุษย์ปุถุชนนี่ก็ต้องการบ้างละเรื่องค่านิยมเรื่องคุณค่าเทียมที่มาเสริมให้ความรู้สึกในความอยากความพอใจความชอบสวยงามเป็นต้น อ, ร, อร่อยแต่ว่าอย่างน้อยต้องให้ด้านปัญญาด้านคุณภาพชีวิตประโยชน์ที่แท้เนี้ยได้ก่อนนะอย่างน้อยต้องให้ตัวนี้เป็นพื้นฐานได้ก่อน แล้ให้ส่วนประดับตกแต่งนั้นตามมาประกอบนะและอย่าให้เกินไปอย่าให้มาทําลายไอ้ส่วนแท้นอย่างน้อยต้องได้ดุลนกันนะไอ้ส่วนคุณภาพคุณค่าแท้ต้องมาอยู่ไม่ใช่ว่าไปเอาคุณค่าเทียมก่อนใช่เลยไม่คำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงเลยคุณค่าแท้หายไปคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้เอาเป็นอันว่ายอมรับว่าสาหรับปุถุชนอย่างชาวบ้านแล้วยอม ให้เอาบ้างเรื่องความสวยงามโก็เก๋แต่ว่ายีหนึ่งต้องให้ได้คุณค่าที่แท้จริงก่อนเป็นฐานไว้ก่อนอย่าให้เสียอันนี้เด็ดขาดถ้าเสียแล้วถือว่าดำเนินชีวิตผิดไม่มีการศึกษานะสองส่วนที่มาประกอบเสริมเรื่องคุณค่าเทียมนั้นอย่าให้เลยเถิดไปจกนกระทั่งเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมอันนี้สําคัญมากเบียดเบียนตนใช่ว่า ฉันอาหารและททำให้สุขภาพร่างกายเสียไปเนะเพราะเห็นแก่คุณค่าเทียมเช่นความอริดอร่อยโกกเก๋แล้วกับเบียดเบียนผู้อื่นนะีทำให้สังคมเดือดร้อนแย่งชิงกันมากเอาจะผู้อื่นมากโดยใช่เหตุใช่ฮะแล้วก็ไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากด้วยถ้าปฏิบัติตามหลักพระพุทธเจ้าแล้วได้หมดชีวิตตัวเองก็ดีคุณภาพชีวิตส่วนตนก็ได้สังคมก็ไม่เบียดเบียนกันมาก าสามารถเผื่อแผ่กันได้ไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากใช่ไหมดังนั้นมาตั้งเริ่มจากนี้นี่ท่านเรียกว่าศีล น, นะฮะศีลไม่ใช่หมายความมันเฉพาะไปศีลห้าไปเบียดเบียนกันอย่างนั้นศีลเบื้องต้นเนี่ยสำคัญเรื่องการปฏิบัติต่อปัจจัยสี่ก็ไปอันว่าท่านก็ให้พิจารณาเวลาฉันเวลาใช้ของแต่ที่เน้นมากก็คือเรื่องอาหารเนี่ยเป็นจุดสําคัญของคนและทีนี้ว่าถ้าเวลาที่ฉันนั้นไม่ได้พิจารณา ก็เลยไปพิจารณาย้อนหลังบทย้อนหลังก็จะเปลี่ยนเป็นว่าอัจฉรยาอปัจเจเวก ค, คิตวาก็บอกว่าในวันนี้หมายถึงอดีตที่ผ่านมา น, นี้ที่ข้าพเจ้าฉันแล้วไม่ได้พิจารณานั้นแหะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าตอนนี้พิจารณาว่ า, าต้องฉันโดยเข้าใจความมุ่งหมายที่แท้จริงได้ปัญญาอย่างที่ว่านะจะได้เตือนตนทบทวนไว้พรุ่งนี้ก็หันกลับมามีสติพิจารณาใหม่เนะี นี่ก็เป็นบทก็ใช้กับปัจจัย4ทั้ง4อย่างมีบทมีปัจจัย4ก็มีบทปฏิสังขารโย4บทแล้วมีบทอัจชมิยา4ี่บทนเนเวลานี้บางวัดอย่างพระสงฆ์ไทยที่ไปอยู่ในอเมริกาท่านตั้งเป็นสมัชชาขึ้นมาเพื่อจะให้มีเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์รวมในการที่มาดูแล ก, กันแล้วก็นัดหมายกันในการปฏิบัติให้สม่ำเสมอกัน ก็มีมติอันหนึ่งก็คือเวลาก่อนจะฉันเนี่ยให้สวดปฏิสังขารโยพร้อมกันนะก็คือว่าอย่างน้อยให้ไม่ได้รูปแบบก่อนแต่รูปแบบนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันสาระนะใช่อาจจะว่าไปเป็นปากเปล่าคล่องๆองปากแต่ใจไม่ได้มีสติพิจารณาเลยก็ได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยรูปแบบมันก็เป็นตัวรักษาว่า อย่างน้อยต่อไปก็เอ๊ะอะไรเนี่ยที่ว่าไปเนี่ยนะมีบทคำอยู่ใช่ไหมจะได้มาเตือนตนว่าอ๋อนี่มีสาระอยู่ยอะอย่างนี้สาระก็อยู่ในรูปแบบแต่ว่าบางทีรูปแบบมีแต่สาระไม่เอาเพราะฉะนั้นต้องให้ได้ทั้งสองอย่างต้องได้รูปแบบรักษาเนื้อหาแล้วก็เอาเนื้อหาสาระมาใช้ต้องลงว่าให้พิจรารณาอย่างน้อยก็มีความรู้ตระหนักว่าเราฉันเพื่ออะไรนีอันนี้บท ส่วนเหล่านี้เนี่ยต่อไปที่นี่เราก็อาจจะมาพิจารณากันอีกทีเพราะตอนนี้เราอยู่เริ่มมากขึ้นแต่ก่อนนี้มีแค่3มองค์ตอนตอน้นตอนนี้มีหลายองค์เพิ่มขึ้นเรื่องของหมู่คณะนี่ก็อาจจะต้องมีรูปแบบมาช่วยเพื่อความเป็นระเบียบด้วยแล้วก็เป็นสื่อสื่อเนื้อหาสาระด้วยแล้วก็อาจจะมาตกลงกันว่าเอ้ยวัดเราจะเอาไหมก่อนฉันก็ปฏิสังขารโยพร้อมกันนะอะไรเงี้ยนะ ของฝรั่งเขามีการสวดก่อนรับประทานเหมือนกันนะแต่เขาสวดขอบคุณพระเจ้าว่าที่เขาได้อาหารมาได้ด้วยพระผู้เป็นเจ้ามอบให้แต่ของพุทธศาสนานี่บอกให้พิจารณาฉันอาหารได้ปัญญาให้กระจายความมุ่งหมายที่แท้จริงของการรับประทา น, นถ้าจะขอบคุณก็ขอบคุณปิดามารดาเป็นต้นแล้วก็โมทนาญาติโยที่ได้ มามีศรัทธาบำรุงนะให้มีฉันและไม่ต้องเป็นห่วงกังวลจะได้สามารถมีปัจจัยที่จะเกื้อหนุนในการประพฤติพรหมจรรย์บาเพ็ญกิจหน้าที่ได้นะอันนี้อ้าวก็เลยพูดต่อไปเลยว่าเรื่องการฉันนี้ก็เลยโยงไปหาความสัมพันธ์กับญาติโยมซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะพูดต่อไปอีกแต่ตอนนี้พูดโยงเฉพาะในแง่ของการฉันพัตทหารว่าเพราะพระเนี่ย พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยไว้ว่าให้มีความเป็นอยู่โดยที่ไม่ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยตนเองไม่ทำมาหาเียชีพหมายความว่าไม่ไปประกอบการอาชีพอย่างชาวบ้านหากินหาเงินห า, นห า, นหาทองแต่ว่าให้ทําหน้าที่ของตนเองการทําหน้าที่ของตนเองนั่นแหละเป็นอาชีพอยู่ในตัวแล้วนะไม่ใช่พระไม่มีอาชีพนะพระมีอาชีพเหมือนกันคือการดํารงชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องตามบทบาท เมื่อเราดำรงชีวิตของตนถูกต้องตามบทบาทแล้วเนี่ยก็เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ประชาชนเขามีศรัทธาเขาต้องการให้ธรรมะดำรงอยู่ในโลกเขาต้องการให้คนดีมีอยู่ในโลกเป็นหลักประกันความมั่นคงของสังคมเขาก็ต้องมาธนุบำรุงญ า, าติโยมก็มาถวายพัะตาหารด้วยศรัทธาและด้วยจิตมุ่งหมายว่าจะช่วยรักษาธรรมะโดยมาอุดหนุนท่านผู้ดำรงประพฤติธรรมเผยแผ่ธรรมเนี่ย ให้มีชีวิตยอยู่ได้ทากิจได้สะดวกแบนนี้ญาติโยมเขามากุปถัมภ์บำรุงนี้พระก็ต้องมีความระลึกอยู่เสมอว่าโอ้เราไม่ได้ทำอาหารไม่ได้หาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองด้วยตนเองนะอาศัยญาติผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่ท่านเรียกว่าประรัปฏิพัทธาเมชีวิกาบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเรานเนื่องโดยผู้อื่น เมืเ่อไงน์เราก็ต้องทําตัวให้เลี้ยงง่ายท่านบอกว่าเราต้องทําตัวให้เลี้ยงง่ายภาษาพระเรียกว่าเป็นสุภโรนีสุภโรเป็นภาษาเป็นนามภาวะนามแปลว่าสุภรตาแปลว่าความเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่จำเป็นต้องจดนะฮะแต่ว่าจดไว้ประกอบเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวก็ได้ความเป็นผู้เลี้ยงง่ายถือเป็นหลักสําคัญพระจะต้องกระพติตัวให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายนี้ถ้าเราไปนึกถึงไม่เฉพาะพระหรอกเด็กๆเนี่ยลูกเนี่ย อยู่กับพ่อแม่ก็ต้องนึกถึงอย่างเนี้ยเรายังไม่ได้มีความพร้อมจะหากินได้ตนเองเนี่ยอย่าลบกวนคุณพ่อคุณแม่ให้มากเลยเนี่ยทำตัวให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงง่ายอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่ามีน้ำใจต่อคุณพ่อคุณแม่เยอะนียเพราะท่านก็อุตส่าห์ลําบากลําบนในการที่จะต้องประกอบอาชีพเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยเพราะรักลูกเห็นแก่ลูกบางทีลูกก็ไม่ได้เห็นแก่พ่อแม่เอาแต่ใจตัวนีก็ทําตัวให้พ่อแม่เลี้ยงยาก ลำบากลำบนจะเอาโน่นเอานี้เนี่ยท่าลูกรู้จักจกินอาหารอย่างพระก็รับประทานอาหารเออเพื่ออะไระไม่ใช่เพื่ออริสอร่อยโก้โเก๋ไม่ต้องไปแข่งกับใครละ่ะไปแข่งกับเขาก็ขอภัยก็โง่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาก็รับประทานเพื่ออะไรก็พิจารณาได้ปัญญาตัวเองก็รู้แล้วก็วรับประทานนี่เพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีเราต้องมาดูว่าปริมาณอาหารแค่ไหนประเภทอาหารอะไรที่มันทําให้ร่างกายของเราดี แล้วก็กินได้ปัญญาพระกินได้ปัญญาเรามีความภูมิใจมั่นใจในตัวเองเพราะเป็นความถูกต้องเราจะมั่นใจไม่ต้องไปแข่งกับใครและวเขามีกินนั่นมีอร่อยมีเสื้อผ้าอย่างนั้นใช้กโกเกะนี่เรากลับเห็นเป็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเพราะว่ามันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาที่ว่าใช้แล้วคํานึงถึงวัตถุประสงค์ใช้แล้วเสียคุณภาพชีวิตเป็นเหตุสิ้นเปลืองด้วยทํำลายหลายอย่างดังนั้น เด็กก็เหมือนกันนะไม่เฉพาะเฉพาะพระหรอกเด็กถ้าหากว่าเข้าใจวัตถุประสงค์นี้ใช้ปัญญาในการบริโภคแล้วก็จะเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้ที่มีน้ำใจต่อคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีความสุขขึ้นเยอะทีนี้หันกลับมาเรื่องพระพระก็ทำตัวให้ประชาชนเลี้ยงง่ายก็เลยมีหลักอีกอันหนึ่งก็มาสนับสนุนท่านเร่าสันโดษันโดษก็หมายความพอใจใน ปัจจัย4อาหารจีวรบิณฑบาตเสนาสนะอะไรพวกนี้ตามมีตามได้หมายความว่าญาติโยงก็ถวายมาอย่างไงก็ไม่ไปที่เรียกร้องไม่ไปมวกร้านลนกระบนกระวายนะจะไปหาอย่างนั้นอย่างนี้ฉันให้มันมุ่งแต่อร็เอตอร่อยอมียังไงก็ฉันพอให้เป็นอยู่ได้ให้สนองความต้องการชีวิตยอย่างที่ว่านะให้เป็นไปตามปฏิสังขารโยน อันี้เราก็อยู่ได้ง่ายด้วยปัจจัยสี่ที่มีพอสมควรแต่ท่านเรียกว่าเท่าที่ได้มาเป็นของตนนี่ก็อยู่ง่ายสิสันโดษก็ไม่รบกวนชาวบ้านใช่ไหมไม่รบกวนชาวบ้านแล้วก็ทําให้เราเนี่ยพร้อมที่จะไปทํากิจหน้าที่เพราอเราสันโดษในปัจจัยสความสันโดษที่จะมาช่วยเราคือเราก็ไม่เกิดความทุกข์เกิดความทุรนทุรายเพราะ เรื่องปัจจัยสีว่ว่าอันนั้นยังไม่มีทำไมไม่ได้อาหารอร่อยชั้นไม่ได้จีวรสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ใช้อะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปทุรนทุรายใจก็สบายใจก็สบายก็ถ้าเรียกว่า ม, ว า, ม า, ววามีความสุขง่ายในวัตถุน้อยพอมีความสุขง่ายได้วัตถุน้อยก็ทําไงเราสุขง่ายแล้วเราก็ไม่เอาเวลาแรงงานและความคิดไปวุ่นกับการแสวงหาใช่ไหมนี้ถ้าคนไม่สันโดษเนี่ยมันไม่พอใจได้วัตถุที่มี ใจิตใจมันก็มุ่งไปชยานหาสิ่งที่ยังไม่มีมันก็ต้องใช้เวลาแรงงานและความคิดสิ้นเปลืองไปกับการที่จะไปแสวงหาเวลาก็หมดไปแรงงานก็หมดไปความคิดก็ขุ่นคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้จะฉันอะไรมันอร่อยจะไปวัดจะเป็นชาวบ้านกับพรุ่งนี้จะไปกินเหลาไหนพัตตาคารไหนอาหารชนิดไหนคิดแต่อย่างนี้แหละนะจะไปปลนเปลอยตัวเองอย่างไรเวลาแรงงานและความคิดก็หมดเปลืองไปก็เลยไม่เป็นอันทําการทํางาน กิจหน้าที่ไม่ได้ทํานีพพระส่์นี่ยิ่งสําคัญมากถ้าไม่สันโดษจะแล้วเป็นอันว่ากิจหน้าที่เสียหมดทีนี้พอสันโดษแล้วเราก็อมสงวนเวลาแรงงานและความคิดไว้ได้หมดเราสุกง่ายได้วัตถุน้อยแล้วนี่ทางวัตถุเราก็สุกแล้วสบายและปลอดโปร่งโล่งใจนี้เวลาแรงงานและความคิดของเรานี่ไม่สูญเสียไปกับการทยานหาสิ่งเหล่านั้นเราก็อมมันไว้แล้วเราก็เอาเวลาแรงงานและความคิดนี้ มาทุ่มเทอุทิศให้แก่การปฏิบัติกิจหน้าที่ของตนเองถ้าเป็นพระก็กบําเพ็ญใจศิกขาถ้าเป็นญาติโยมก็ได้ทํางานทําการที่เป็นบทบาทของตัวเองให้ถูกต้องใช่ไหมอย่างพัฒนาประเทศชาติก็เลยสําเร็จถ้าขา้าราชการถ้าประชาชนเอาใจใส่ในกิจหน้าที่ของตนเองไม่ทยานหาการบํารุงบาเรอปลนเปิดในการเสพใช่ไหมการงา น, งานกิจการต่างๆก็ดําเนินก้าวหน้าไปได้ก็สนโดดก็มาอุดหนุนการพัฒนา คนจํานวนไม่น้อยเข้าใจผิดนึกว่าถ้าสันโดษแล้วจะขัดขวางการพัฒนาเพราะเขาไม่เข้าใจความมุ่งหมายของสันโดษทีนี้ถ้าเราปฏิบัติสันโดษผิดก็ไปขัดขวางการพัฒนาอย่างเขาว่าเหมือนกันคือว่าสันโดษพอใจในวัตถุตามมีตามได้ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเราก็สุขและสบายกันเลยนอนเลยอย่างนี้ก็สันโดษเพราะขี้เกียจใช้ไม่ได้สันโดษนั้นท่านเพื่อให้ออมเวลาแรงงานและความคิดไว้างา เราจะได้เอาเวลาแรงงานและความคิดนี้มาทุ่มเทให้แก่การทํากิจหน้าที่เพราะว่าพระมีหน้าที่อยู่แล้วนี่จุดหมายอยู่ที่การบําเพ็ญหน้นาที่เช่นการบําเพ็ญใจิกขาแล้วถ้าโมไปแสวงหาวัตถุไม่สัโดษอย่างที่บอกเมื่อกี้เวลาแรงงานและความคิดหมดไปกับการแสวงหาเป็นอันว่าใสิกขาไม่ได้บําเพ็ญเห็นได้ชัดเนะ่ยพระองค์ไหนไม่สัโดษละใจิกขาไม่มีอันได้ําเพ็ญหรอกครับใช่ไหมหน้าที่การงานไม่ได้เอาทีนี้พอเราสัโดษแล้ว ทีนี้เราเต็มที่เลยใช่วัตถุเล้ามีแค่ไหนก็อยู่พอให้มันได้คุณภาพชีวิตทีนี้ก็เอาเวลาในงานแล้วความคิดมาใช้ในการทํากิจหน้าที่ของพระสงฆ์การเล่าเรียนปริยัติการปฏิบัติการเผยแผ่ทำคําสอนทําได้เต็มที่เลยคราวนี้แล้วสบายใจไม่มีกังวลถ้าคนที่ไม่สนโดดแกก็ต้องมาเบียดบางเวลาทําการงานไปแสวงหาสิ่งเเสพใช่ไหม และแกก็ทํางานด้วยความทุกข์ทรมานเพราะใจแกไปแกไม่อยู่กับงานใจแกไปอยู่กับไอ้สิ่งเเสพที่ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นะคนที่สันโดษก็มีความสุขด้วยแล้วก็ทํางานด้วยความสุขตั้งใจทําการทํางานเต็มที่เพราะพระพุทธเจ้าจาึงบอกให้สันโดษในวัตถุเสพแต่ให้ไม่สันโดษในกุศลธรรมใช่ไหมอันนี้หลักการที่สําคัญการไม่สันโดษในกุศลธรรมนี่เป็นคําสอนสําคัญของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระองค์นี้ที่ตรัสรู้ น, นี้เพราะไม่สันโดษนะ แต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่ไม่สันโดษในวัตถุเพระองค์ไม่สันโดษในกุศลธรรมถ้าพระพุทธเจ้าสันโดษในกุศลธรรมแล้วไม่จัดสรุหรอกนะพระพุทธเจ้าไม่พอไม่อิ่มไม่พอในกุศลธรรมสิ่งที่ดีงามต้องประเพณญยิ่งขึ้นไปก้าวหน้าไปเรื่อยนะเอาแล้วครับก็เลยพูดเลยไปที่เรื่องสันโดษด้วยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เป็นอันว่าถ้าเมื่อสันโดษแล้วก็วัตถุนั้นก็ไม่จําเป็นต้องมั่งมาย ไม่สิ้นเปลืองอยู่ง่ายแต่ว่าออมเวลาแรงงานและความคิดมาทุ่มเทให้แก่การทํากิจหน้าที่เช่นบาเพ็ญใจศีกขาโดยมีความไม่สัโดษในกุศลธรรมก็ปฏิบัติเก้าหน้าเปสุดจุดหมายศาสนาสันโดษก็มาหนุนกับความไม่สันโดษก็หวนกลับไปเรื่องว่าสันโดษนี้ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านก็คือจะได้ไม่รบกวนญาติโยมก็ลกลายเป็นคนที่เลี้ยงง่ายและญาติโยมไม่ต้องเดือดร้อน ถ้าพระไม่สัโดษเดี๋ยวก็เอาและหาทางหาหาได้ไม่ดีก็ไปที่ลบกวนญาติโยมลบกวนโดยตรงก็ไม่ได้ก็ไปหลอกลวงนะพอไปหลอกลวงก็ไปหาทางหลอกลวงชาวบ้านหาลาบด้วยพิธีต่างๆหรือว่าไปประจบประแจงหรือไปหาเอาลาบต่อลาบ ว, วิธีเยอะวิธีอย่างนี้ถ้าเรียกว่าอาเนสนาแปลว่าแสวงหาในทางที่ผิดถ้าเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพของพระนะเพราะพระนี่จะไปขออาหารชาวบ้านก็ไม่ได้นะ ไปออกปากขออาหารท่านมีวินัยบัญญัติไว้เลยภิกษุไปออกปากขออาหารกับผู้ที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรณนาเพื่อตนฉันเป็นอาบัติปาจิตติว่าไง น, น, นี่มีความผิดเลยนะต้องเดินไปอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์อ่ะก็เดินไปเขารู้ความต้องการเขา ม, มีสตามาถวายจึงจะรับได้น่จะไปออกปากขอไม่ได้ ถ้าออกปากขอต้องเป็นญาติญาติก็ต้องมีกำหนดว่าเจ็ดชั้นระดับตัวเองหนึ่งระดับสูงก็ไปสามลงไปสามเท่านั้นเนะีภาว า, าก็คือผู้ที่เขาบอกไว้ว่าให้ท่านขอฉันนะนะนิมนต์ถ้ามีอะไรขาดแคลนก็บอกอย่างเงี้ยจึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปขอได้ถ้ามางั้นเราไปขอแล้วมีความผิดเลยของอื่นก็เหมือนกันพระนี่ไปเที่ยวขอออกปากนี่พระพุทธเจ้า บัญญัติไว้มากเพราะว่าไม่ต้องการให้รบกวนชาวบ้านแล้วก็ให้พระนี้ต้องทำตัวให้ดีประพฤติตัวให้เหมาะสมอันนี้พระพุทธเจ้ามีบทพุทธพจน์เป็นคาถาไว้อันหนึ่งบอกว่าภิกษุ อ, อ้อบอกว่ามแมลงผู้มแมลงผึ้งเที่ยวไปตามหมู่ต้นไม้ไม่ทำดอกไม้ พร้อมทั้งกลิ่นและสีของดอกไม้นั้นให้ชอกช้ำชั้นใดมูนีก็พระภิกษุสงฆงหลายเนะพึ่งเที่ยวไปในหมู่ประชาชนชั้นนั้นหมหมายความว่าพระสงฆ์นี่ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมเนี่ยจะต้องถือคติอย่างเดียวกำมะแรงผู้มะแรงพึ่งนะคือไม่ทำให้เขาชอกช้ำไม่ว่าจะเป็นศรัทธาหรือทรัพย์สินเงินทอง รับสีนเงินทองเขาเราก็ไปทําให้ชอกช้าศรัทธาทาง จ, จิตใจก็ไปทําให้ชอกช้านะให้เป็นอยู่ได้โดยอย่างนี้นะนี่คติของพระพุทธเจ้าตรัสไว้เตือนพระสงฆ์แล้วทีนี้มแมลงผู้มแมลงเพผึ้งนนอกจากไม่ทําให้ดอกไม้กลิ่นสีชอกช้าแล้วยังทําให้งามยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมเนะี่ยทาให้หมู่ไม้งามแพร่พันธุ์ให้อีกด้วยเนี่ยเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยถ้าประพฤติตัวถูกต้องแล้ว ก็เป็นที่เชิดชูจิตใจของหมู่ประชาชนทําตัวให้ดีมีศีลประพฤติตัวดีไปไหนก็ไม่เบียดเบียนประชาชนไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เขานําเอาความรู้สึกสงบสันติสุขไปให้นํามธรรมะไปให้ประชาชนได้เห็นก็เบิกบานใจประกอบด้วยศรัทธามีปิติอิ่มใจมีภาษาท่จิตใจผ่องใสเวลาได้พบพระสงฆ์แผ่เอาความร่มเย็ยนเป็นสุขไปให้นี่ ทำให้ประชาชนนี่งอก ง, งามเหมือนอย่างต้นไม้ที่ว่ามีหมู่พรมรแมลงพึ่งไปช่วยใช่ไหมฮะอ้แ น, น่แหลกนี่คือเป็นคติเพราะฉะนั้นผ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพทเจ้าสอนแล้วไม่มีปัญหาเลยอ้าวอันนี้ก็เลยพูดไปเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อปัจใจสี่ก็ขยายไปเรื่อยที่จริงเรื่องความสัมพันธ์กับประชาชนนี่ต้องพูดต่างหากยังมีเรื่องต้องพูดอีกก็ย้อนกลับมาเรื่องปัจใจสี่ต่อในความเป็นอยู่ของพระ ก็เป็นอันว่าบทที่หนึ่งเนี่ยเน้นเรื่องโภชเนมัตตัญ e ยุตตาเพราะฉะนั้นะจึงต้องเน้นตั้งแต่ก่อนเข้ามาบวชใช่ไหมให้ท่องเตรียมไว้เลยปฏิสังขารโยนนี้ถ้าเราไม่ได้ท่องมาก่อนก็เป็นอันว่ารู้หลักแล้วก็มาท่องตอนนี้ก็ได้ท่องบทปฏิสังขายโยมาพิจารณาแต่ไม่ใช่ท่องเปล่าๆนะเดี๋ยวได้รูปแบบต้องเข้าใจความหมายด้วยแล้วมาใช้ปฏิบัติก็จะได้เนื้อหาสาระให้รูปแบบนี้เป็นตัวที่ทรงห่อหุ้ม ไว้ซึ่งเนื้อหาสาระด้วยเป็นตัวสื่อสาระนี่ก็ปฏิบัติตามหลักการนี้ก็ปฏิสังขายโโยเริ่มแต่อาหารก็มีโภชนีมตนัตตัญจุตตารู้จักประมาณในการบริโภคหรือรู้จักพอดีในการกินหรือกินพอดีคือกินได้ปัญญาไม่ได้กินได้ตัณหาพออย่างนี้แล้วก็หลักการนี้เรียกว่าเป็นศีลเบื้องตน้น ทีนี้อีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำสำหรับผู้ที่เข้ามาบวชเบื้องต้นเลยต้องฝึกเรื่องนี้กันก่อนอีกอย่างหนึ่งคืออินเสียสังวรอินทสียสังวรก็การสำรวมอินทรียอินทรียก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเราอยู่ในโลกเราต้องติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกชีวิตของเราที่เป็นอยู่ได้ต้องมีการสื่อสารกับโลกภายนอกอะไรที่ช่วยสื่อสารก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราใช่หม อันนี้ถ้าเราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้กลับเป็นทางมาของโทษความเสียหายนะทำให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นถ้าใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เป็นก็ใช้ได้โมหะใช้ได้สักแต่าความรู้สึกนะเวลารับรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจดูก็ไม่เป็นฟังก็ไม่เป็นดูแล้วก็เกิดโทษเกิดปัญหากับชีวิต นะทําให้เกิดโลภะโทสะโมหะทําให้เกิดความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมานะอย่างดูทีวีก็ดูไม่เป็นดูแทนที่จะได้ความรู้ดูแล้วก็ได้ความลุ่มหลงความมัวเมาเนะสียสุขภาพกายเสียาการศึกษาเล่าเรียนอย่างงี้ใช่ไหมถ้าดูเป็นก็ได้ความรู้รู้จักเลือกดูดูเป็นดูรายการแม้แต่ไม่ดีก็ได้คติได้ความรู้รู้จักแยกแยะอะไรเอาประโยชน์มาใช้ได้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องอินเสียสังวรเป็นการศึกษาเบื้องต้นเป็นเรื่องศีนเองเหมือนกันศีลเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นยิงกับศีนห้อีกนะนะเราไปมองเรื่องศีลห้าที่จริงศีนนี่แหละศีนอินเสียสังวรศีนโพชณีมตัญญาตพระพุทธเจ้าเน้นมากนะฮะพอบทเข้ามาก็อินเสียสังวรโภชณีมตตัญญุตาสำรวจอินทรีย์ว่าเวลารับรู้ดูฟังเห็นอะไรต่างๆแล้วเนี่ย ให้เป็นไปโดยมีสติแล้วก็ตามมาได้ปัญญาเอาง่ายๆก็คือว่าไม่ให้อากุศลเข้ามาครอบงมจิตใจได้ก็อย่างที่ว่าไม่ให้เกิดโลภะโทสะโมหะเอาแค่นี้เอาง่ายๆว่ารับรู้ด้วยสติทำให้อากุศลธรรมเข้ามาครอบงมจิตใ จ, จไม่ได้ใช้ได้ถ้าดูเป็นอย่างนี้ การศึกษาก็เริ่มต้นเพราะการศึกษานี่เริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราถ้าไม่ได้อันนี้ก็แสดงการศึกษานี่พลาดการศึกษาปัจจุบันนี่น่าจะพลาดเพราะไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้เลยการศึกษาพื้นฐานเรื่องการบริโภคปจัจจัย4เรื่องการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจยให้เป็นนี่คือจุดเริ่มต้นของการศึกษาเลยถ้าได้จุดนี้แล้วการศึกษาเริ่ม ดังนั้นหลักเบื้องต้นในการฝึกอบรมพระพระใหม่มาก็จะเน้นนี่แล้วต่อไปก็ต้องใช้ตลอดไม่ใช่ว่าพระเก่าเลยไม่ต้องใช้นะใช้ตลอดพระเก่าก็ต้องมีโพชนีมตันยุตยัยอินเสียสังวรเหมือนกันนะแต่ว่าทีนี้เราต้องเน้นเพราะว่าพระใหม่มาเริ่มต้นชีวิตแบบนี้ให้รู้จุดว่าว่าจะต้องเริ่มกันที่ไหนอทีนี้อินเสียสังวนนี่ เพื่อไปการฝึกก็เลยมินิยมโบราณก็ออกมาในลักษณะองการสัมรวมสัรวมตาหูจมูกลิ้นอ่าไอตัวแรกก็คือตาเนี่ยโผล่ก่อนเขาเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยสัมรวมตาอ่ก็เลยมีก็พระเดินไปสัมรวมน่ยจะมองโดยที่ว่าไม่เทียวสายหนะ้าบกแวกไปดูโน่นดูนี่ใช่ไหมเดินไปก็สัมรวมทอดสายตาพอประมาณใช่ไหมอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นอาการของพระที่เป็นรูปแบบ แต่ที่จริงสาระของท่านก็คือว่าอินเซียสงวรอยู่ที่การมีสติควบคุมว่ารับรู้ดูฟังเป็นต้นแล้วไม่ให้กุศลธรรมครอบงำอันนี้ต่างหากที่เป็นตัวสาระแต่ว่าเพื่อให้มีการฝึกก็เอารูปแบบมาช่วยฝึกใช่ไหมก็คือฝึกให้พระเนี่ยเดินและตาไม่สายไม่ที่หันดูโน่นดูนี่แล้วก็ให้ดูนะพอประมาณทอดสายตานะ ในขนาดที่พอใช้กิจก็คือการเดินข้งตัวให้ถูกต้องให้ได้ผลก็เลยกลายเป็นความเป็นอยู่ของพระไปใช่ไหมว่าพระเหล่านี้เดินไปไหนพอญาติโยมดูว่าสํารวมไหมก็ดูที่เช่นการเดินการทอดสายตาเป็นตน้นเทือเดินแล้วก็หันหน้าทั้งโน้นทางนี้ทีอะไรเงี้นะดูเงยหน้าก้มหน้าหันข้างซ้ายหันข้างขวาดูด้วยเป่วย อ, อย่างนี้นท่านเรียกว่าไม่สํารวมใช่ไหมอันนี้แปลว่าเอารูปแบบมาช่วย อารูแบบก็คืออาการกิริยามาช่วยเพื่อจะฝึกแต่ต้องรู้สาระที่แท้จริงนั้นคือท่านต้องการให้เราเนี่ยฝึกที่สติเอาสติมาคอยคุมไม่ให้อกุศลธรรมเข้ามาครองำให้รับรู้ด้วยสติแล้วเกิดปัญญานะแล้วได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ดูแล้วฟังแล้วให้ได้ความรู้อันหนึ่งแล้วนะได้ความรู้ก็คือได้ปัญญาใช่ ได้ความรู้ว่าเออความจริงของเรื่องนี้เป็นยังไงยังไงบางคนดูไปแล้วได้แต่ตื่นเต้นสนุกไปไม่ได้อะไรเลยอย่างนี้แสดงว่าไม่มีการศึกษาเลยเด็กของเราจํานวนมากเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่ถ้าเราเรียนแล้วเข้าโรงเรียนแล้วไม่รู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นนี่ <c oughs> ไม่มีการศึกษาแล้วยังไม่ได้เริ่มเลยการศึกษาเนีต้องดูแล้วได้ความรู้หมหนึ่งแล้วนะต้องถามตัวเองความรู้นั่นคือ ควารมรู้เพื่อเข้าถึงความจริงใช่ไหมอยู่ในโลกต้องรู้สิ่งต่างๆเมื่อรู้แล้วจึงจะดําเนินชีวิตได้ดีๆนะเมื่อเราเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆแล้วเราจึงจะพัฒนาตัวเราได้เราจึงจะสามารถดําเนินกิจการต่างๆได้สําเร็จจึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ดันะนั้นต้องดูแล้วต้องรู้รู้ก็เข้าถึงความจริงสองดูแล้วได้ประโยชน์นะ ได้ประโยชน์เอามาพัฒนาชีวิตของตัวเองได้ข้อมูลได้แง่มุมความคิดได้คติได้อะไรต่างๆที่จะมาเป็นประโยชน์เนะี่ยอย่างนี้ก็แสดงว่าได้ได้ปัญญาทั้งคู่นะปัญญาที่ได้ความรู้ปัญญาที่เอาประโยชน์ได้ใช่ฟังก็เช่นเดียวกันนี่ต้องดูตั้งแต่เด็กๆเกนะี่ยก็ดูทีวีเป็นไหมฟังวิทยุเป็นไหม ได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นหรือว่าได้โทษได้แต่ความสนุกสนานตื่นเต้นมัวเมาเป็นนักเสพไม่เป็นนักศึกษาถ้าเป็นนักศึกษานี่ก็หมายความว่าก็เป็นผู้ได้เรียนรู้นะได้ประโยชน์จากสิ่งที่ดูฟังเป็นต้นถ้าเป็นนักเสพก <g ül> ็แค่สนุกสนานเพลิดเพลินไปเดี๋ยวนี้เราได้นักเสพมากกว่า น, นักศึกษาใช่ไหมแต่เรียกตัวเป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นนักศึกษาเป็นแต่นักเสพ เพราะฉะนั้นอันตรายมากนี่ยุคนี้มันเป็นกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วไปเรียกดูตัวเองว่าเป็นบริโภคนิยมก็ชัดเลยนักบริโภคนิยมบริโภคเห็นแก่กินก็เป็นนักเสพใช่ไหมเมื่อเป็นนักเสพแล้วจะไปเรียกนักศึกษาได้ยงไงนักเสพกับนักศึกษาคนละพวกถ้าเป็นนักเสพก็เป็นนักศึกษาไม่ได้นะถ้าเป็นนักศึกษาก็ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วเราเรียกกันไปได้ว่านักศึกษานะ่ย ได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้เกี่ยวข้องประสบการณ์ต่างๆทา ง, ต า, ง, ต, างตาหูจมูกลิ้นแต่ไม่เคยศึกษาได้แต่เสพยอย่างเดียวตกลงว่าเนี่ยสำคัญมากอินทรียสองวร น, นี้เป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เป็นนักศึกษาก็หมายความว่าใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นทุกอย่างเกี่ยวข้องประสบการณ์ต้องได้ปัญญาที่เกิดความรู้หรือเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เป็นนักศึกษา เป็นนักเรียนรู้นะนักเรียนก็แปลมาจากนักศึกษานั่นแหละนะไม่ใช่เป็นแค่นักเสพถ้าเป็นนักเสพไม่ต้องเรียนนะเกิดมามีตาหูจมูกลิ้นมีความรู้สึกกระเส็ได้เรื่อยนะนี่พราะฉะนั้นพรเจ้าจึงเน้นที่จริงท่านเล่นอินเสียสังวร ก, ก่อนนะครับข้อที่หนึ่งหนึ่งอินเสียสังวรใช้ตาหูจมูกลิ้นกายให้เป็นแล้วก็สองก็งโพชนีมตนัตตัญญตตารู้จักประมาณในการบริโภคบริโภค ตั้งแต่อาหารเป็นต้นไปเนี่ยด้วยปัญญาเพื่อคุณค่าที่แท้จริงเพื่อคุณภาพชีวิตไม่ใช่เพียงเพื่อสนองความต้องการเสพเท่านั้นนะอย่างน้อยก็ต้องได้อันนี้เป็นฐานก่อนก่อนที่จะได้การเสพเพื่อบำรุงบำรุ ง, รงนะฮะอา้าวทีนี้ต่อไปก็ท่านก็เกี่ยวกับการฝึกเรื่องกายวาจาในความเป็นอยู่เอาหมดนะเวลาฉันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าฉันได้พิจารณาได้ปัญญา กิริยามารยาในการฉันเอาอีกนะเน้นฉันพระนี่มาเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมไทยเลยเป็นต้นกําเนิดเป็นต้นแบบเป็นรากฐานแม้แต่มารยาในการกินรับประทานใช่ไหมรับประทานอาหารไม่มีเสียงดังจับจับนะรับประทานอาหารไม่พูดในขณะกําลังรับประทานนะอาหารกําลังเต็มปากอยู่ห้ามพูดนะ แล้วที่จริงทําไมหา้ามท่านให้ฝึกฝึกไม่พูดในขณะที่กําลังอาหารอยู่ในปากหรือว่าเวลาจะฉันอาหารต้องนั่งให้เรียบร้อยเนะีเวลาจะฉันอาหารห่มพระคลองพระใเรียบร้อยดูสิเรามาฉันปัะตาหารในพระเวลาฉันปัะตาหารต้องไปข่มจีวรจวนมาก่อนไม่ใช่มันจะหยิบอะไรจะฉันตามชอบใจใช่ไหมนี่ฝึกหมดเนะี ฝึกให้มีสติฝึกให้ทําการโดยมีการรู้จักควบคุมตนเองนะเวลาเราฝึกพฤติกรรมเนี่ยทึ่งเรียกว่าศีลเนี่ยมันก็เท่ากับฝึกจิตไปด้วยเพราะเราจะควบคุมพฤติกรรมได้เราก็ต้องมีจิตใจเข้มแข็งใช่ไหม บ, บังคับควบคุมต้องมีสติก็ทําให้ฝึกจิตไปด้วยเราต้องใช้ปัญญาต้องรู้ว่าอะไรถูกไม่ถูกอย่างน้อยต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ข้อ บ, บังคับมารยาทอะไรถูกต้องปัญญาก็พัฒนาไปด้วยได้หมดศีลสมาธิปัญญา เป็นการฝึกในเบื้องต้นเริ่มจากศีลเอาศีลมาเป็นฐานในการฝึกทั้งศีลสมาธิปัญญาไปได้วยกันหมดนะีอันนี้เวลาฉันอา้าวต้องระวังกายวิจาให้เรียบร้อยเนะี่อย่างบางวัดนี่ท่านฉันเนี่ยฝึกกันบอกว่าพระเนรร้อยหนึ่งฉันไม่มีเสียงแม่แต่เสียงช้อนกระทบกันเสียงช้อนกระทบจานไม่มีเลยนะโอ้ฝึกกันขนาดนี้เลยนะีอันนี้ ร่างกายก็ต้องดำรงอยู่ในภาวะที่ดีงามเช่นไม่เอา ไ, ไม่เอาสอบไปยันโต๊ะที่ฉันเป็นตนอย่างนี้นะอ้าวอีกนะหมดแหละเรียกว่าฉันด้วยความมีสติฉันด้วยความตั้งใจฉันด้วยการที่คำหนึ่งถึงหลักายสิกขาคือการฝึกฝนพัฒนาตนอบรมก็เลยได้ทั้งพฤติกรรมทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกโดยตรงแล้วก็ได้ถึงมารยาทในทางสังคมแล้วก็ได้ความงามให้แก่สง เพราะว่าเมื่อฉันนั้นไม่ใช่ฉันเพื่อตัวเองด้วยอย่างเดียวนะจะฉันนี่คํานึงถึงประโยชน์แกสง์ด้วยเพื่อความงามความเรียบร้อยของสงส่วนรวมนะการคํานึงถึงส่วนรวมนี้เป็นสําคัญมากในชีวิตของพระนะคือกิจกรรมแต่ละอย่างที่ทำเนี่ยไม่ใช่เพื่อตอนเองคนเดียวนะแต่เพื่อผู้อื่นด้วยอย่างพระนี่ทําเพื่ออะไรเอาหนึ่งเพื่อสง์งามเพื่อสง์เรียบร้อยอย่างที่บอกว่าเหมือนอย่างการ ดอกไม้ที่มาจัดเข้าแจกการเข้าพานเข้าพงุงมาไัยก็เรียบร้อยงดงามใช่ไหมเพราะนั้นพระที่ประพฤติตัวดีท่านเรียกว่าสังกโสรผลแปลว่า พ, พูดทำหมู่ให้งามใช่ไหมถือเป็นหลักสําคัญเลยการคํานึงถึงส่วนรวมนี่แล้วก็คํานึงถึงประชาชนนะให้ประชาชนเขาเกิดศรัทธาประสาทาเขาเกิดความผ่องใสเขาจิตใจพอเห็นพระแล้วชื่นใจเห็นกิริยามรญญารยาทพระ เดินกันแม้แต่ไปปิณฑบาตเดินกันเป็นแถวเรียบร้อยสํารวมญาติโยมเห็นก็ชื่นใจสบายมีความสุขและ ว, วันนี้จะไปทํางานทําการทั้งวันในีวุ่นวายกิจการงานแต่เริ่มเช้าเห็นพระแล้วสบายใจใจฟังใสล้ายๆเป็นสิริมงคลเริ่มต้นวันด้วยจิตใจที่สดชื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระนี่จะต้องทําเพราะฉะนั้นพระมีหลักว่าถ้าหากว่าไปพบกับโยมนี่หลักต้องทําให้โยมเกิดประสาทธ นักกิจาการการขบการชั้นการพูดจาพยายามคำหนึ่งอันนี้ว่าทำไงจะช่วยรักษาจิตใจโยมให้โยมเนี่ยมีจิตใจผ่องใสเบิกบานนะไม่ใช่เห็นพระแล้วจิตใจมุ่นงานเลยจิตใจไม่สบายเสียจิตของเขาเนะ น, นี่ยไอ้ในพระนี้ก็เป็นเครื่องบำรุงจิตใจของชาวโลกนะทำให้สังคมเนี่ยอยู่ดีด้านจิตใจนี่ถ้าพระปฏิบัติถูกนี่ช่วยสังคมได้มากและพระต้องคำหนึ่งตลอดเวลาตัวภาษาทาเนี่ยเป็นตัวสําคัญมาก ไปเจอกับญาติโยมนี่ต้องให้ได้ภาษาถาก่อนเลยต้องพยายามนี่ญาติโยมก็เหมือนกันการที่เราแต่งตัวอย่างผ้าเนี่ยท่านไม่ใช่เอาแต่หลักว่าเออเป็นอยู่ง่ายสันโดษนะจีวอของนุ่งห่มก็ใช้เน้น้อยแล้วก็เลยไม่ต้องซักมันแล้วนะใช้ผ้าขาดขาดก็ได้อ้าวย่างงี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เอาด้วยนะเพราะท่านไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านคนเดียวนี่ ท่านอยู่เพื่อสง์เพื่อประชาชนนะนเพราะ น, นั้นผ้าเก่าเอ่อจะใช้หมักหมมไม่ได้สกปรกไม่ได้ต้องซักให้สะอาดแล้วก็จะไปขาดไม่ได้นะขาดรูแค่หลังเลือดทนั้นปรับอบัดเลยนีต้องปะต้องชุน น, นี่ชาวบ้านบางทีไม่รู้คตินี้นึกว่าตัวเองจะอยู่ง่ายๆก็เลยไม่เอาใจใส่ใช่ไหม นะี่ทีนี้ก็กลายเป็นไม่คำนึงถึงผู้อื่นสินี่เราต้องคำนึงว่าที่เราแต่งตัวเนี่ยเพื่อบำรุงจิตใจของประชาชนเพื่อประโยชน์สุรุ่งกับสังคมให้คนที่เขาได้พบได้เห็นน่จิตใจเขาสบายเนะเพื่อความดีงามของชุมชนของสังคมด้วยต้องทำไปพ ร, ร้อมกันเพราะนั่นที่เราแต่งตัวเนี่ยเราแต่งตัวในแง่หนึ่งก็เพื่อใช้เสื้อผ้าให้มันถูก ความมุ่งหมายเพื่อป้องกันหนาวป้องกันเหลือบยุงริ้นไรการความละอายอันนี้ให้ได้หนึ่งะสองก็เพื่อรักษาจิตใจผู้อื่นเพื่อขนบธรรมเนียมวัฒ น, นธรรมประเพณีดีงามแต่คือเพื่อจิตใจของคนที่อยู่ร่วมกันให้เขามีความรู้สึกที่ดีงามไม่ใช่ไปทําลายความรู้สึกพอเห็นแล้วก็จิตใจเขาเสียไปทั้งวันนะฮะดัง น, นี้ต้องมองในแง่นี้ด้วยแต่ไม่ใช่ไปเพื่ออวดนะถ้าอวดก็เสียอีก ไปอวดโก้นี่กลายไป็นว่าไปสัมพันธ์กับสังคมในทางไปอวดโก้เขาสนิทเนะี่ยไม่ใช่อวดโก้ต้องการจะช่วยสิตใจเขาให้จิตใจเขาสบายนะีคนเราอยู่ในสังคมนี่เรามีเมตตาตา่อกันเราก็ช่วยรักษาจิตใจเขาให้เขามีจิตใจร่าเริงเบิกบานผ่องใสเนะีแต่เราไม่ได้ไปมุ่งโยโยนเขานะแล้วเราก็ไม่ได้ไปอวดโก้อะไรนะีมันจะเกิดความพอดีนะ ไม่ใช่เอียงไปอีกว่าเออฉันไม่เอาเรื่องอะาไราและไอ้เสื้อผ้าไม่ต้องมีก็ได้เลยไปทิปี้ไ ป, ไปอยู่กนะันผมผ้าไม่ต้องอะไรไม่ต้องตัดนะี่ยน้ำไม่ต้องอาบเนะีเสื้อผ้าไม่ต้องซักนะอะไรอย่างนี้สกรปรกมอมแมม อ, มมอมก็ไม่ได้เรื่องอีกเหมือนกันนะีเ่เรียกว่าเอียงสุดอีกนั้นพระพุทธเจ้านี่ทรงให้มัชชิมาปฏิปทาไว้สําคัญอย่างยิ่ง ชีวิตตนชีวิตผู้อื่นสัมพันธ์กันหมดสิ่งแวดล้อมนั้นมันพอดีไปหมดเลยถ้าปฏิบัติถูกต้องนะก็แปลว่าทำด้วยปัญญานั่นเองแหละไม่ได้ทําด้วยตัณหาอยากเสพไม่ได้ทําด้วยมานะอวดโก้เพื่อแข่งขันเพื่อจะกดคนอื่นนะเพื่อจะยกตนเพื่ออวดตนอะไรทั้งนั้นไม่ใช่นะแล้วก็ไม่ได้ทํำด้วยทิฏฐนะิยึดถือทิฏฐิความเห็นจะเอาความเห็นของตัวเองเข้าว่า ต้องพิจารณาว่าอะไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความดีงามของชีวิตของส่วนรวมร่วมการสังคมนะฮะทำไปนะแล้วก็ปรับปรุงตัวเสมอไม่ติดอยู่แค่เดิมก็จะเป็นความเจริญงอกงามในธรรมวิ น, นัยนะแม้แต่อยู่การตากผ้าตากผนนะมีหลักด้วยนะตากยังไงมีศิลปะตากไม่ให้ปรากฏโผล่มากระตัวอาคารนะตากให้อยู่ใน อาคารไม่ให้โผลนี่ยเมื่อไแล้วก็ทําให้อาจจะทําให้ดูไม่งดงามกระสงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยรักษาสง์เราก็ไม่เพราะฉะนั้นก็เป็นศิละปะอย่างหนึ่งเป็นศิละปะในทางที่ดีว่าแม้แต่ผ้าที่ใช้กับเก็บงาอย่างดีหาที่ตากยังไงจะไม่ให้ดูเกะ ก, กะก็หมดไปแหละแม้แต่เสนาสนะนี่มีวินัยบัญญัติไปเลยอย่างเก้าอี้ หรือเศนาสนะอาสนะเอาออกมาใช้ในที่ของตัวหรือในที่กลางแจ้งแล้วเสร็จแล้วต้องเก็บงามให้ดีนะมังั้นมีความผิดอีกนะตกลงว่าการบวชนี่เป็นการฝึกทุกอย่างนะอนนเป็นเป็นมารยาทไปด้วยในตัวก็เลยพุทธศาสนาก็เลยเป็นรากฐานวัฒนธรรมไทยไปด้วยนอกจากฝึกพฤติกรรมตจสิกขาที่มองเห็นเป็นหลักการใหญ่ๆและที่จริงใจสิกขาเนี่ย คุมมาถึงแม้แต่มารยาทความเคลื่อนไหวการพูดจาในความเป็นอยู่ประจําวันหมดเลยนะอณาตายศึกษาเนี่ยจึงมีความหมายทั้งระดับหยาบและละเอียดนะวันนี้ก็เลยพูดไปเริ่มจากเรื่องของชีวิตประจําวันของพระโดยเฉพาะปราลบเรื่องการฉันอาหารนะซึ่งเป็นการศึกที่มีมาแต่เดิม แล้วก็เลยโยงไปไปถึงเรื่องอะไรแต่ไรหลายอย่างนะายไตสิกขาเนี่ยเราเคยบอกไว้แล้วในไตสิกขาเนี่เป็นทั้งหมดของชีวิตของพระใช่ไหมก็มาเริ่มต้นแต่เนี่ยอ๋อไหนไหนพูดไปแล้วก็พูดให้ครบไปอันว่าข้อปฏิบัติในการฝึกเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าส่งเน้นหนึ่งอินเสียสังวรการสำรวมอินสีการรู้จักใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นดูเป็นฟังเป็นเป็นต้น แล้วก็โพชเนมะตะยุตาความรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักกินพอดีกินได้ปัญญาแล้วพอได้อันนี้แล้วต่อไปก็มาเชื่อมเข้ากับการปฏิบัติเพื่งสูงธเลกวัชชาคาริยานุโยกแปลว่าการมันประกอบการตื่นว่างั้นหมายความว่าไงกาโบราณท่านแปลว่าการประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่หมายความว่าไม่เห็นกนหลับกันนอนนะ ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราตื่นมีสติและเราก็มาคำนึงรละลึกว่าอะไรที่เราควรจะทำเป็นกิจหน้าที่ในายศกขาเป็นกิจหน้าที่ของพระสงฆ์และเราก็ทำกิจหน้าที่นั้นๆด้วยสติที่มีความตื่นตัวอยู่เสมอเพราะนั้นพระนี่เมื่อมีอินทสียสงวรและโพชนนมตัญยุตตาเป็นฐานและการดำเนินชีวิตทั่วไปก็อยู่ในขอบเขตที่งามที่พอดีเกื้อหนุนต่อการ ที่จะบำเพ็ญกิจสูงขึ้นไปก็มาต่อด้วยชาคาริยานุโยกแปลว่าเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่เสมอไม่เห็นกันหลับกันนอนนะ่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการที่ทำกิจหน้าที่ของตนเองนะแล้วก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานะโดยตัวความตื่นนี้เป็นสติในตัวเองและเป็นเรื่องจิตก็ฝึกจิตแล้วก็ปัญญาพิจารณาว่าเราจะทำอะไรจึงจะเหมาะจะควรก็เลย ต่อเข้ากับสมาธิปัญญาที่นี่อีกที่นี่ก็ต่อได้นะอินเซียสังวระโภชนเนมัตตัญุตานี่เป็นศีลแล้วก็ต่อกับสมาธิและปัญญาตรงชาคาริยานุโยคนะแม้แต่ตัวโภชนเนมัตตัญุตามันก็ต่อจากศีลไปสมาธิปัญญาอยู่แล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้เวลาจะกินพฤติกรรมในการกินที่พอดีก็ต้องมีปัญญาและฝึกปัญญาต้องรู้เข้าใจความมุ่งหมายแล้วก็ต้องควบคุมจิตของตัวเองได้ ให้จิตของเราเนี่ยดำเนินในทางที่ถูกต้องก็เกิดความพอดีเกิดความพอใจที่เรากินได้คุณภาพชีวิตคนพวกหนึ่งนั้นมีความสุขกินได้สนองความต้องการในการเสพเพราะอร่อยก็สุขทีนี้อีกคนหนึ่งพอมีปัญญาโอ้รู้ว่าเราคนกินเพื่อคุณภาพชีวิตพอได้กินอะไรแล้วเกิดคุณภาพชีวิตก็มีความสุขจากการได้สนองความต้องการคุณภาพชีวิตก็เป็นเศรษฐกิจอีกแนวหนึ่งเศรษฐกิจของ คารืหัดเขากินได้สนองความต้องการในการเสพใช่ไหมของพระนี่กินได้สนองความต้องการในการทําให้เกิดคุณภาพชีวิตนะวัตถุประสงค์ต่างกันเลยระบบเศรษฐกิจคนละระบบ <c oughs> อ น, นั้นตัวเนี้ยเขาไม่เคยคํานึงเขาไม่คิดเลยเขาเอาเศรษฐกิจแค่ว่าเออมีวัตถกุกินใช้พอสนองความต้องการในการเสพ บ, บอกว่าเออทําไง ได้สนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจว่างนันนะพึงพอใจของเขาก็คือว่าความพึงพอใจในการได้เสพใช่ไหมฮะอันนี้ตามหลักของพระศาสนานี้กินได้สนองความต้องการในการทําให้เกิดคุณภาพชีวิตเราก็จะมีความสุขขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นความสุขทางปัญญาก็เปลี่ยนจากตัณหามาเป็นฉันทะนะอยากกินเพรเสพเรียวกว่าตัณหาอยาก กินเพื่อคุณภาพชีวิตเรียกว่าฉันทะนะแยกกันเปคนละทิศนี่ก็การศึกษาทั้งนั้นเลยนะเอาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่พูดจากเรื่องหนึ่งก็แยกกระจายไปเรื่อยก็เห็นจะพอสมควรนะก็นึกว่าเรามาบวชก็เริ่มตั้งแต่ชีวิตประจําวันเนะี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะฝึกฝนในใจศิกขาก็เลยยกเอาเรื่องของชีวิตประจําวัน ในการเป็นอยู่เรื่องการใช้ปัจจัยสี่มีฉันวัตาหานเป็นต้นและก็เรื่องของอินทรียสังวรการใช้ตาหูจมูกลิ่นกายใจมาซึ่งคิดว่าไม่เฉพาะพระเท่านั้นละ่ะที่จะต้องฝึกญาติโยมประชาชนก็ต้องฝึกโดยเฉพาะเด็กๆถ้าเด็กๆ เ, เนี่ยปฏิบัติตามหลักการนี้จะมีความภูมิใจและมั่นใจตนเองเพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่เกิดจากปัญญาคนที่มีปัญญาทำด้วยความรู้ เมื่อรู้มันจะมีความมั่นใจในตัวเองอย่างจริงจังดีกว่าความมั่นใจที่เป็นไปตามค่านิยมของสังคมต้องอาศัยผู้อื่นว่าโอ้เขาเห็นเราโก้เขายอมรับแล้วเราก็ภูมิใจแต่ถ้าคนมีปัญญาและรู้ความมุ่งหมายมันเป็นของถูกต้องมันชัดเจนจะกินเพื่อสุขภาพดีเรากินอาหารถูกต้องในเรามีความมั่นใจเลยไม่ต้องไปอาศัยใครใครมายกย่องแล้วใช่ไหมมันเด็ดขาดในตัวเพราะนั้นเป็นความมั่นใจที่แท้จริง ที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระศาสนานั้นเด็กนักเรียนลูกๆหลานๆก็ต้องฝึกตามหลักนี้เหมือนกันแต่พระเรานี่เป็นตัวอย่างวันนี้ก็ขอพูดไว้ในเรื่องนี้เพียงเท่านี้ก่อนยังไงเป็นมัชชิมาปฏิปทาทีนี้ถ้าเราไปพูดมัชชิมาปฏิปทาไปใช้ในทุกอย่างแต่เราจะไม่เห็นชัดว่าแล้วยังไงเราเป็นมัชชิมาปฏิปทาแต่อธิบายเนื้อหาไปเลยแล้วจะเห็นว่าอ๋อนี่เรามัชชิมาปฏิปทาเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ความพอดีในการกินก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมก็เป็นมันชฌิมาปฏิปทาเสร็จในตัวทางสายกลางทางแห่งความพอดีทางแห่งดุลยภาพนะก็เป็นข้อปฏิบัติที่บูรณาการก็ศีลสมาธิปัญญาต้องมาครบพฤติกรรมจิตใจและปัญญาต้องมาด้วยกันถ้าขาดอันใดอันหนึ่งนี่ไม่บูรณาการนะก็พอบูรณาการก็เป็นองค์รวมมันสัมพันธ์กันเป็นระบบ ใช่ไหมระบบนี้ระบบนี้คือระบบอะไรคือระบบชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานี้เป็นระบบนี่การดําเนินชีวิตต้องมีทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญามาสัมพันธ์กันเป็นระบบมันหนุนกันนีพฤติกรรมเป็นไปได้ดีต้องอาศัยจิตนมีความตั้งใจเป็นต้นแล้วก็อาศัยปัญญาความรู้เข้าใจใช่ไหมอ้าวแล้วเสร็จแล้วพฤติกรรมดําเนินไปได้ดีนี่ก็ทําให้จิตใจสบายมีความมั่นคงนี่ ก็เกิดผลเกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริงอีกใช่ไหมพฤติกรรมที่ดีก็ไปนหนุนปรรัญญาทําให้เราเนี่ยเช่นว่าใช้ตาหูจมูกเล่นเป็นมันก็ได้ไ ด, ได้ปัญญาสิใช่ไหมพฤติกรรมที่ถูกต้องหนุนปรรัญญาถ้าพฤติกรรมไม่ดีก็เดเสริมโมหะเข้าไปอีกเช่ดูทีวีไม่เป็นก็โมหะก็ม า, มาดูทีวีเป็นพฤติกรรมในการดูดีก็ได้ปรรัญญาใช่ไหมพฤติกรรมก็เปนหนุนปัญญาปัญญาก็มาหนุนศีลพฤติกรรมปัญญามาหนุนพฤติกรรมแล้ว จิตก็มาหนุนพฤติกรรมปัญญาก็เป็นหนุนจิตเป็นระบบนี่คือระบบความสัมพันธ์เป็นองรวมเนีเดี๋ยวนี้เขาชอบใช้คําเหล่านี้แต่ว่านี่แหละคือหลักที่แท้จริงเพราะว่าในที่สุดแล้วระบบความสัมพันธ์องค์รวมมันอยู่ที่ไหนมันต้องมาจับได้ที่ชีวิตของเราก่อนว่าชีวิตของเรานี้เป็นองครวมการดําเนินชีวิตของเรามีกี่ด้านเป็น3ด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาก็ามาเริ่มที่นี่ต้องให้พฤติกรรมจิตใจและปัญญามาบูรณาการกันในกระบวนการของการพัฒนาตนใช่ไหม เสร็จแล้วก็ดำเนินไปได้ดีชีวิตก็จเจริญงอกงามนะก็มันก็สัมพันธ์กับเป็นระบบแล้มันก็เกิดดุลยภาพก็เกิดความพอดีก็เป็นทางสายกลางแม้แต่กินอาหารก็เกิดความพอดีก็กินแล้วพอดีไม่เกิดโทษใช่ไหมพอดีอยู่ที่ไหนพอดีอยู่ที่สนองความต้องการคุณภาพชีวิตจุดหมายที่แท้จริงการกินก็คือกินเพื่อร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีทํากิจ น, น้าทีได้ถูกไหมฮะ นี่ก็ทางสายกลางก็มาก็เลยเรียกว่าโภชเนมนตันยุตาแปลว่ารู้จักประมาณในการบริโภคคือกินพอดีกินพอดีก็กิกนทางสายกลางใช่ไหมก็วนเวียนกันอยู่เนี่ยไม่ไปไหนละถ้ามันถูกเสแล้วนะมันโยงกันได้เป็นอันเดียวกันเพราะมันเป็นระบบใช่ไหมถึงกันหมดเน้นเรื่ององ์รวมเรื่องดุนยาภาพนะ่ยเรื่องบูรณาการ เรื่องเป็นระบบเนี่ยอยู่ในพุทธศาสนาหมดคือมัชชีมาปฏิปทาเนี่ยที่ระบบชีวิตประกอบด้วยพฤติกรรมจิตใจและปัญญามาประสานเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วก็เลยทําให้ชีวิตของคนกับสังคมเนี่ยเกื้อหนุนกันด้วยบุคคลกัสังคมก็เรื่เกื้อหนุนกันเมื่อมัชชีมาปฏิปทาในตัวคนมันเดินไปดีใช่ไหมตัวคนพัฒนาดีแล้วพอตัวคนพัฒนาปับ๊บกลับมาหนุนสังคม ให้การอยู่ร่วมสังคมนี้เป็นไปนดีดีเพราะนั้นบุคคลกับสังคมก็ประสานกันดีและไปประสานกับธรรมชาติแวดล้อมเช่นการรับประทานพอดีก็ไม่ทําลายทรัพยากรเกิดการประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลสังคมและธรรมชาติแวดล้อมก็เป็นระบบใหญ่ออกไปอีกใช่ไหมเกิดสมดุลพอดีในองค์รวมใหญ่ใช่ไหมบูรณาการในวงกว้างอีกหมดนะถ้าถูกต้องแล้วมันไปประสานกันหมดเลย